เราก็ได้พักนะบรรยากาศริมใมน้ำโขงในฝั่งตรงข้างของวัดอรัญญบันพตของหนวงปูเสียนก็คงหาโอกาสแบบนี้ได้ไม่ง่ายนะักนะที่จะได้พักในสถานที่ที่เรียกว่าสัตว์ปายพดชื่อแล้วก็มีเรียกว่ามีหมูมิรพวกเราอยู่เป็นแบบนี้อีกเพราะว่าก็ เป็นวันท้ทายของกำหนดการที่ได้ตั้งใจที่จะร่วมเดินต้นดงร่วมกันแล้วก็เลยไม่กี่วันก็อาจจะต้องแยกย้ายกันไปหรือมันอาจะแยกย้าย จ, จากกันไปก่อนตามเหตุตามปจนะัจจัยแม้กันที่ได้ร่วมกันอยู่เเกือบหนึ่งเดือนนะเราก็คงได้เรียนรู้อะไรๆอย่างนะจากหมู่เพื่อนนะจาก สิ่งแวดล้องจากคุบาจารย์จากวัดต่างๆก็นะคงได้เรียนรู้จากหลายๆอย่างนะที่เป็นความรู้ที่เกิดจากภายในของเราเองแล้วก็ความรู้ที่ได้จากภายนอกแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตนด้วยนะบรรยากาศแบบนี้ก็คงหาหาไม่ได้ง่ายๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้นะเพราะที่จริงแท้ที่จริงแล้วความรู้ที่จะ เกิดในการเข้าใจตนเองหรือว่าเข้าใจคนอื่นมันก็ไม่จำเป็นว่าต้องมีแต่บรรยากาศแบบนี้เสมอไปเพราะว่าถ้าเราใส่ใจในการที่จะเรียนรู้อตลอดเวลามันก็สามารถเกิดทักษะหรือว่าเกิดความรู้พวกนี้ได้เกิดความเข้าใจพวกนี้ได้เพราะว่ามันก็ไม่จำเป็นที่จะพระทุกลูกหรือว่านักปฏิบัติทุกคนจะต้องถือทุดงคขวัดหรือต้องปฏิบัติเข่งครัดตลอดเวลา เหมือนอย่างสมัยพุทธ ก, กาลก็มีช่วงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งพระเทวทัตท่านทำเรียกว่าสังฆเภทก็คือทําสงให้แตกแยกกันโดยมีการข้อเสนอสี่ห้าข้อที่พระเจ้าืเสนอให้พระเจ้ากระทาเช่นนี้ถ้าไม่ทําแล้วก็ผมจะแยกออกเจก็ดงูพวกเราก็คงพอจะเคยได้ยินกันเนาะเทวทัตขอให้ยังไงเช่นพระสงฆ์ต้องบินฑบาต เป็นประจำห้ามรับกิจนิมนตนะ์หรือว่าห้ามรับของที่โยมมาถวายที่วัดที่พักอนะไรเนี้ยก็คือให้บิณฑบาตเป็นประจำพรพุทจาก็บอกว่าไม่ได้นะก็หมาถึงว่าเราก็บิณฑบาตเป็นประจำนี่แหละแต่ถ้ามีคนนิมนต์ไปฉันที่บ้านที่ไหนเราก็สามารถไปฉันได้พรนะพุทธองค์ก็กว่าเช่นนั้นหรือแม้แต่เรื่องอาหารเทวทัศ ก, ก็บอกว่า ถ้าสมต้องไม่ฉันเนื้อนะเอต้องเที่ยวเป็นทั้งหมดบริโภคเนื้อทั้งหมดแต่ผู้ตรงก็บอกว่าคนใดจะไม่บริโภคก็ได้คนใดจะบริโภคก็ได้แต่เนื้อที่ได้มาก็ต้องเป็นเนื้อที่เกิดจากการที่ไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่สงสัยว่าเขาทํามาเพื่อตนโดยเฉพาะาแต่ถัาใครจะไม่บริโภคก็ได้แต่ถ้าจะบริโภคก็ต้อง แต่ว่ามีเงื่อนไขตรงนี้นะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้สงสัยว่าเขาทํามาเพื่อตนหรือแม้แต่เรื่องจีวรพระพุทธเจ้าก็อบอกแต่ก่อนพระต้องใช้จีวรที่เรียกว่าเป็นผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่ชักจากศพ บ, บ้างชัดจากเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามป่าบ้างเอามาเย็บต่อกันเป็นผ้าจีวรสังคติเป็นผ้าสบงเป็นผ้าที่เป็นจีวรแปลว่าเครื่องใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม พุเทเธวัตก็บอกว่าให้พระใช้แต่ผ้าบางสกุลเท่านั้นห้ามใช้ผ้าที่เกิดจากข้าหัสข้อถวายนะครัพระุทธเจ้าก็บอกว่าก็มีได้เช่นเดียวกันหมายถึงว่ารูปใดจะใช้ผ้าบางสกุลก็ขอให้ใช้แต่รูปใดถ้ามีข้หัสเข้อถวายผ้าก็ก็สามารถรับแล้วก็เอามาใช้ได้อนะไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้แต่ผ้าบังสกุลหรือไม่แต่เรื่องที่อยู่อาศัยเทวัตก็บอกว่า พระน่ะต้องอยู่ป่าเท่านั้นน่ะห้ามอยู่ในบ้านน่ะห้ามอยู่ในเขตชุมชนน่ะต้องอยู่ป่าเท่านั้นพุทธองค์ก็บอกว่าพระสุสุดรูปใดจะอยู่ป่าอยู่ถ้าพอใจที่อยู่เช่นนั้นก็อยู่ได้น่ะหรือพระสุสุดรูปใดจะอยู่ในเขตชุมชนอยู่ในคามาวาสน่ะเขตเขตบ้านก็สามารถอยู่ได้หรือเทวทก็บอกว่า ถ้าต้องอยู่คนไม้เท่านั้นห้ามอยู่อาคารเสนาสนะพระองก็บอกว่าเราพออนุญาตาแต่ในช่วงหน้าฝนเราไม่อนุญาตให้อยู่เช่นนั้นต้องอยู่ในที่ที่มุงที่บังที่โลกระใคือพวกนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราพิจารณาดีข้อเสนอที่เทวทัศเสนอนี่ก็เป็นเรื่องที่มันก็ดีนะดูเข่งคัดดูดูเป็นข้อที่เรียกว่า กระทำได้ยากฝึกหัดได้ยากแล้วก็ดูมันน่าเริ่มใสมากแต่ทําไมพระพุทธเจ้าท่านไม่รทรงอนุญาตให้ให้เทวทัตกระทําเช่นนั้นแต่จริงก็ไม่ใช่แค่เทวทัตเท่านั้นก็คือไม่ไม่ทรงอนุญาตให้หมู่สงหรือผู้ที่ปฏิบตัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่านกระทําเช่นนั้นเพราะว่าอะไรมันเป็นการสุดโต่งในทางที่เรียกว่าตึงเกินไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าการกระทําเช่นนั้นมันตึงโดยความที่เรียกว่าตัวของมันเองเราสามารถอยู่ป่าได้สามารถบินถ้าบ่าได้สามารถใช้ผ้าบางสกุลได้สามารถที่จะไม่ฉันเนื้อก็ได้นะสามารถที่จะอยู่คนไม้ก็ได้สามารถทําได้ถ้าเราเลือกที่จะทําเพื่ออะไรเพื่อการฝึกหัดเึืการขัดเกลาหรือว่าเพื่อเป็นไปเพื่อไม่ใช่ว่าไปยึดติดในข้อวัดนั้นไปอวดตัวว่าเข่งว่าเก่งว่าดีหรือว่า เพื่อที่จะยกตนผมท่านหรือว่าเพื่อหลงในสถานที่หรือว่าในข้อวัดตรง น, นั้นเพราะว่ามันจะกระทำเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นไปในทางที่เรียกว่าโน้มเป็นในทางที่เรียกว่าเป็นศิลนัตต์ปรามาสได้ง่ายหรือว่าบางทีเป็นการสําคัญตนในการหลงผิดว่าจะ ต, ต้องทําข้อวัดเช่นนี้เท่านั้นถึงจะสามารถเรียกว่าเข้าถึงคุณวิเศษได้หรือบางทีก็เป็นไปเพียงเพื่อต้องการราบสการะเป็นไปเพื่อ อ, อวด ความเข่งคลาดของตนพระองค์ท่านไม่ใให้พวกเราประพฤติเช่นนั้นนั้นพระเจ้าก็ได้ห้ามเทวทัตแล้วก็หมุสส่งตรงนี้ไว้แต่ถ้าจะใครกระทําก็ขอให้เป็นการกระทําเพื่อการขัดเกลาเพื่อการฝึกฝนนะอย่างพวกเราหลายรูปก็ถือทูตองนะถือทูตองเช่นอะไรเช่นเรามีการบิณฑบาตเป็นวัดนะหรือฉันฉันอาหารที่ได้จากการวิณธบาต ก็ เ, เป็นช่วงในการสุขฝนแต่ถ้าเ่วงช่วงเรากลับไปอยู่ที่วัดอยู่อยู่ที่บ้านเราก็อาจจะมีอาหารที่เกิดจากการคาราหัเขารถวายหรือว่าเกิดจากการพื้อหากันเองสําหรับคารวะมันก็มันก็สามารถทําได้ถ้าเรารู้ว่าเจตนาของเของเราฉันเพราะอะไรเราฉันเพื่ออยู่หรือเปล่าฉันเพื่อประทางชีวิตหรือเปล่าหรือฉันเพื่อความ อ, อร่อยเพื่อความเพลิดเพลินสนาน ถ้าเราดูที่เจตนาตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบหรือแม้แต่บางคนก็สงสัยเช่นเอ๊ะอดอาหารเป็นการสุดโต่งไหมหรือว่าการอดอาหารเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสที่จริงในรูปแบบเพราะว่าอดอาหาร พ, พระพุทธเจ้าท่านก็เคยอดและท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ทางแต่นั่นคือท่านคิดว่าเป็นการอดเพื่อจะให้กิเลสมันดับแต่จริงมันไม่ใช่เช่นนั้น แต่ถ้าเราอดอาหารเพื่อที่จะดูกายดูใจดูความเป็นไปที่เกิดขึ้นจากปฏิกยาของกายที่อาหารมันน้อยลงหรือหรือว่าพลังงานมันลดน้อยลงเราดูหรือว่าเราอดเพื่อที่จะข่มข่มกิเลสบางอย่างซึ่งเรารู้ว่าเออมันเป็นกิเลสนะหรือว่าต้องการที่จะฝึกฝนตนดูตนมันก็สามารถทําได้ก็สามารถทําได้ไม่ใช่ว่าจะอดไม่ได้อดอาหารบ้างอดนอนบ้าง บางคนก็ไปตีความว่ารูปแบบนี้คือคือความสุดตรงนะที่จริงมันจะสุดโตง่งถ้าเราไปยึด ไ, ไปยึดมั่นกับคันหมายจนกระทั่งคิดว่าต้องทําเช่นนี้ถึงจะบรรลุธรรมได้หรือว่าต้องทําเช่นนี้เท่านั้นถึงจะไปทางที่ถูกทางที่ดีได้แต่ถ้าเราเอาอาศัยรูปแบบเพื่อฝึกฝนตนหรือว่าเพื่อดูปฏิกิยาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของตนอันนั้นสามารถทําได้นะ มันบางทีบางคนก็อาจจะต้องใช้ที่เรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปทานะการปฏิบัติที่เข้่งครัดหรือว่าการปฏิบัติที่อา่าทุก์หรือว่าลําบากนะเพื่อขัดเก่าอฝึกฝนกิเลสตนเองเพราะบางคนหรือว่าบางเรื่องถ้าปฏิบัติแบบสุขาปฏิปทาสบายเกินไปนะมันก็จะกลายเป็นการย่อหย่อนตามใจตามใจฝ่ากตามใจความอยากตามใจความเคยชินอนะไะเ อันนั้นบางทีเราก็ต้องเลือกดูว่าอ้อเรื่องปัจจัยสี่ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้แหละก็เป็นเรื่องการอยู่การอาศัยหรือว่าปัจจัยภายนอกที่ต้องเกี่ยวข้องเราก็ต้องดูตัวเองนะดูตัวเองว่าเราติดที่ตรงไหนติดที่เรื่องการกินกิติดที่เรื่องการนอนติดที่เรื่องอะไรต่างๆเราก็ดูว่าข้อวัดเช่นไรที่จะเป็นการฝึกฝนจิตใจของเราให้มันเรียกว่าให้มันได้เรียนรู้อดนะ อดทนอดกัน้นกับความชอบความพอใจกับความอยากความเคยชินความสะดวกความสะดวกความสบายลองอ ด, ดัวซิเมนนะมันจะเป็นเช่นไรอันนี้เรียกว่าเป็นการเหมือนเอาหนามยอกเอาหนามบนมันขี้เกียจขี้ค้านเหมือ น, นง่วนงนเกินไปลองอดนอนดูสิมันเป็นเช่นไรเอนนะลองดูว่าหนามยอกเอาหนาบนก็เป็นเช่นไรแต่มันก็จะมีความพอดีว่าทำเช่นไรถึงจะพอหมะ ไม่สุดโต่งไปในทางที่เรียกว่าทํากายของตนให้ลําบากจนกระทั่งมันเรียกว่าเป็นโรคเป็นภัยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกลัวเพะว่าไม่กล้าทําเพราะกลัวมันจะเป็นโรคเป็นภัยไม่กล้าจะอดอาหารเพราะว่ากลัวจะเป็นโรคกระเพาะไม่ไมกล้าจะอดนอนเพราะกลัวมันจะพรุ่งนี้เช้าหรือว่าวันต่อต่อไปมันจะไม่สบายบางทีความกลัวก็มาหลอกเรานะหรือบางทีความกล้าบ้าบินก็มาหลอกเราให้ทําอะไรที่มัน มันมากเกินไปเนะี่ยตอนนี้เราก็ต้องดูระหว่างความกลัวกับความกล้าความพอดีมีอยู่ที่ตรงไหนความพอดีมีอยู่ที่การที่ใจไม่กังวล น, นะถึงอดีตถึงอนาคตหรือว่าไม่กังวลว่าผลจะเกิดขึ้นเป็นเช่ไรแต่จะลองเรียนรู้ตักกายตัวใจไปเรื่อยๆนะ่ะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในการวางใจแล้วก็นต้องมีความมั่นคงในจิตใจด้วยเพราะบางทีการกระทําทุตมคาวัดหรือว่าการฝึกหัดจิตใจ หรือมีข้อวัดหรือมีระเบียบกับแบบแผนของชีวิตนะบางทีมันก็มันก็ขัดกับกิเลสหลายอย่างนะขัดกับกิเลสหลายอย่างมันก็มาหลอกมาร่อให้เราไม่ต้องทำดีกว่านะพอแค่ น, นี้ก็ดีแล้วอะไรต่างๆมันก็มีหลายอย่างถ้าเราสังเกต ด, ดูเออเรื่องคนนี้นะเหมือนก็คอยที่จะมาหลอกมาร่อให้เราหลงไปได้ง่ายๆมันก็เราก็ต้องดูอันนี้พูดแบบ ร, มรวมๆนะเพราะว่า ขอแต่และบุคคลมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันบางคนกิเลสในเรื่องการกินมากก็ต้องเรียกว่าต้องมีข้อวัดขัดเกลากิเลสของตัวเองดูว่า เ, ออเรื่องการกินเราจะกินแบบไหนไม่ตามใจปากไม่ตามใจความอยากเรื่องการนอนบางคนก็เป็นเช่นนั้นนะเรื่องความขี้เกียจขี้ค้านนะมันก็ต้องพอดีหรือบางคนกิเลสมันก็หลอกทางทำความเพียนมากเกินไปก็มีนะ เป็นการเข่งขัดนะหรือว่าตึงเกินไปอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะอ่ า, อาจะารให้ถึงที่สุดให้เร็ววันใจมันก็หมกมุ่นแต่เรื่องตรงนั้นมากเกินไปมันก็เป็นความเพียรที่ไม่พอดีเพราะว่าอะไรเพราะเป็นการสุดโตง่งนะใจเมื่อมีความอยากมันจะได้มรรคผลนิพพานเมื่อไรมันก็ไม่ได้เพราะว่าความอยากคือรากเง่าของความทุกข์ พระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วเมื่อใดที่เรามีความอยากเมื่อนั้นมันก็ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อรักความอยากเสียได้มันก็ไม่ทุกข์เป็นธรรมดาเพาเราเห็นว่าอ้อใจเราโดนไฟของความอยากมันเผาร้อนโดนในจิตใจนะอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็คือความทุกข์แต่จุดมุ่งหมายของเราเราจะกระทำเพื่อให้ถึงความไม่ทุกข์องเพราะนั้นเราต้องรักความอยาก นั้เราก็ต้องกลับมาดูดูการกระทธาของเราเองดูการวางใจของเราเองนะว่าทำเช่นไรนะมันถูกทางหรือเปล่าอันนี้คือข้อปฏิบัติซึ่งเราสามารถฝึกหัดได้ไม่ใช่เพียงแค่การที่เรามาร่วมในการเดินธุดงนะในรอบนี้เท่านั้นแต่ถ้าเราเอาหลักการตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันการฝึกหัดขัดเกลากิจใจของเราก็จะสามารถทาได้ทุกที่นะ ไม่จําเป็นจะต้องต้องออกเดินทางเช่นนี้เสมอไปไม่จะเป็นจะต้องไปนอนแต่ในเต็นต์ในกฎนอนอยู่ในป่าเสมอไปไม่จะเป็นที่จะต้องเรียกว่าอยู่แต่อาหารวินทบาทเสมอไปนะไม่จะเป็นที่จะต้องมีข้อวัดแบบนี้ตลอดไปแต่เราเอาสามารถเอาข้อวัดตัวนี้ไปใช้ในในบ้านหรือในวัดของเราเองหรือไม่แต่ข้อวัดอื่นๆ ก็คือข้อปฏิบัติอื่นๆเราก็สามารถลองดูที่กายที่ใจของเราเองว่ามันทําเช่นไรสิ่งจะเกิดผลดีในการพัฒนาฝึกฝนจิตใจของตนเองเราก็สามารถไปตั้งแล้วก็ฝึกหัดของเราได้นะหลายๆอย่างสามารถทําได้ไม่จะเป็นนับไปยึดในรูปแบบตอนนั้นนะแต่ถ้าใครเห็นว่ารูปแบบที่มันมีแล้วก็สามารถกระทําแล้วมันก็ดีอยู่แล้วก็สามารถกระทําต่อไปให้มันได้เรื่อยๆมันก็ดีนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า มันเป็นความพอดีความพอดีของแต่ละบุคคลที่ภายนอกมันไม่เท่ากันแต่ความพอดีที่ภายในมันเท่ากันนะความพอดีที่ภายนอกมันดูไม่เท่ากันเหมือนพวกเราบางคนทานอาหารบางคนทานสองจานบางคนทานจานหนึ่งถึงจะอิ่มมันไม่เท่ากันแต่ความอิ่มมันคือความพอดีเท่ากันนะความอิ่มความรู้สึกว่า ม, มั น, it, มนอิ่มนะมันมเท่ากัน มันรู้สึกมันแน่นถึงพอดีเท่ากันแล้วอนะันเนี้ยความพอดีภายในมันเท่ากันแต่ปริมาณภายนอกมันไม่เท่ากั น, าา น, ก น, ากนบางคนนอนสี่ชั่วโมงเขรู้สึกพอละบางคนงง น, นอนหกชั่วโมงถึงจะพออันเนี้ยบางคนบางช่วงร่างกายไม่สบายนอนสักเ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงถึงจะพอดีมันก็ไม่เท่ากันแต่ถ้าเราดูที่กายของเราดูที่ความสดชื่นนะเป็นตัวบอกอ๋อมันก็จะบอกว่าเออนี่คือความพอดีเป็นแบบนี้ นะแต่บางทีมันก็มีนะบางทีถ้าเราต้องการจะฝึกฝนให้มันมากขึ้นก็นะอาจจะมีข้อวัดบางอย่างมาเสริมก็ได้นะอย่างที่หลวงปู่เมื่อบานท่านก็บอกว่า<อ>ถ้าเราจะฝึกฝนให้ตื่นเป็นเวลาแล้วก็สามารถทำได้นะหรือครูบาอาจารย์บางลูกท่านตั้งใจเลยว่าเออเป็นนอนตื่นเดียวก็ถนะือว่าดับแค่ตื่นเดียว ตื่นขึ้นมาเมื่อไรจะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอ ง, สองก็จะลุกตอนนั้นก็มีอันนี้ก็คือความตั้งใจที่เราจะฝึกฝนตนเองหรือแม้แต่เรื่องการฉันทำไมถึงมีการฉันมือเดียวฉันมือเดียวเออได้เท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีมือที่สองมือที่สามจะอิ่มไม่อิ่มก็เอามือเดียวก็พอก็อกเนียก็ลองปกันพอกระทาเช่นนี้แล้วใจมันก็วาง คือไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องอาหารหรือมแม้แต่ถ้าเรามีข้อวัดเช่นการตื่นนอนอืมเอ้อตื่นมันตื่นนั้วนี่แค่นี้ก็พอละไม่ต้องไปกังวลว่าจะง่วงหรือไม่ง่วงอย่างไรแค่จะง่วงก็ต้องสู้แก้ไขมันต่อไปแต่เรามีข้อวัดตรงนี้เพื่อปลูกเพื่อขัดเกลวความขี้เกียจที่ค้านในจิตใจของเราเองหรือไม่แต่เรื่องกันกินเพื่อขัดเกลวความอยากความหลงเพราะบางทีคารวะแย่โยมเนาะบางทีอยู่ที่บ้าน หรือเรามีความสะดวกในการซื้อหาอของใช้ของกินมันก็กลายเป็นความเคยชินนะอยากกินเมื่อใดก็ไปซื้อนะหรือว่าไปเปิดตู้เย็นเปิดตู้กับข้าวเอามากินนะมันก็จะกลายเป็นการกินจบุบกินจบิบกินได้กินน้อยกินม่รู้จักพออยากเมื่อใดก็สนองมันทุกทีมันก็กลายเป็นความเคยชินแต่ข้อวัดที่กระทําเป็นระเบียบวินยัยเป็นเรียกว่าเป็นนิสัย มันจมันก็จะช่วยขัดเกลาร่างกายแล้วก็จิตใจให้มันเกิดความพอดีตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากดังนั้นการจะถือทุดตรขวัดก็ดีหรือการจะมันก็ต้องเป็นความพอดีที่เรียกว่าอยู่ในทางสายกลางนั้นทางสายกลางนะัชิมาปฏิปทาหรือมัชมีองแปดนั่นแหละมันเป็นความพอดีที่จะทำให้เราไม่สุดโตง่งไปในทางที่ เข่งคัดเกินไปแล้วก็ไม่สุดโตเป็นทางที่ย่อหย่อนเกินไปแต่สุวนใหญ่พวกเราทุกคนส่วนใหญ่นักคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสุดโตไปทางเข่งคัดหรอกมันจะสุดโตไปทาง ย, อยอ่อหย่อนเพิ่มากกว่านะมันต้องตึงกลับมาสักหน่อยนะแต่ก็ต้องตึงให้มันพอดีนะแต่บางคนบางที่ก็ตึงไปในทางเข่งคัดเกินไปนะก็ต้องปรับตัววางใจใหม่ให้มันเรียกว่า แน่นพอดีด้วยนะแน่นพอดีเราออกมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางนะเริ่มที่การวางใจให้ถูกวางใจให้ถูกมีสมาธิมีความเห็นชอบนะความรลลึ้ชอบมีอะไรต่างๆที่มันชอบนะแต่ว่าไปก็เป็นเรื่องของกายวาจาใจนี่แหละที่มันเรียกว่ามันชอบนะ เราก็ต้องดูเองนะคงไม่มีเวลาอธิบายได้ไดมากว่ามักมีองค์แปดที่ตรงไหนแต่ที่สําคัญก็คือการวางกายวางใจงให้มันพอดีนโดยเฉพาะการวางใจให้มันพอดีนะมีความเห็นให้ถูกว่าอะไรคือทุกอะไรคือสาเหตุของความทุกอะไรคือข้อปฏิบัติออกจากทุกนะแล้วอะไรคือการที่จะกระทำจะเดินให้เกิดกนะารเดินทางที่ถูกมากขึ้น หรือไม่แต่ความเห็นชอบเราไม่ใช่ความคิดชอบทำอย่างไรถึงจะออกจากกามได้ทำใจถึงจะออกจากความพยาบาทเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นได้นี่มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเรียกว่าระลึกอยู่เสมออาศัยสติอาศัยความเพียรเพียรแบบในชอบเพียรในการละอกุศลเพียรในการสร้างกุศล ไม่ใช่เพียรแค่เดินจงกรมแค่ยกมือหรือเพียรในการนั่งให้ได้นานๆเท่านั้นแต่เพียรก็คือทําอย่างไรกุศลถึงเจะเกิดอกุศลถึงจะดับอันนั้นคือความเพียรที่พอดีที่มันชอบนะก็เกิดจากการที่ถ้าเรามีสติอยู่เสมอก็าพวกสิ่งต่างๆพวก น, นี้มันก็จะประกอบกันมาศีลนะสมาธิปัญญาก็จะต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดามรรคทั้งหลายมันประกอบกัน มันร้อยลัดกันนะทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งใจมันประสานสอดคล้องกันไปถ้าเรามีความเพียรที่ถูกสติสมาธิมันก็ถูกความคิดความเห็นการกระทํคาคําพูดมันก็ถูกที่จริงมันสัมพันธ์กันไปทั้งหมดนั่นแหละนะอันนั้นเราก็ต้องฝึกฝนตนเองให้เรียกว่าให้เข้าทางวิชชาปฏิปทาให้ได้มากที่สุดจนกระทั่ทงเดินทางสายนี้ถึงที่สุดเนาะ ถ้าเราเรียกว่ารู้ว่าทางสายกลางคืออะไรแล้วเราก็เดินได้ถูกทางข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆมันก็เป็นเพียงแค่ความแตกต่างของเพศจะเป็นพระจะเป็นแม่ชีจะเป็นพระวาเจ้โยมหรือจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงหรือหน้าที่การงานอาจจะแตกต่างกันไปหรือไม่แต่นักบวชบางทีก็สังกัดนิกายแตกต่างกันเป็นเทรวาเป็นมหายาน เป็นวัชรยานหรือแม้แต่เศรวาาอาจจะสังกัดนะธรรมยุทธ์บ้างมหานิกายบ้างครูบาอาจารย์สำนักแตกต่างกันบ้างอันนั้นเป็นความแตกต่างภายนอกเพราะนั้นเอหรือแม้แต่ให้ถึงที่สุดแล้วเอาบางคนบางคนก็อาจจะนับถือคนละศาสนาคิดพุธอิสลามฮินดูอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่บางชีวิตก็เรียกว่ามีธาตุขันที่แตกต่างกันเป็นคน เป็นสัตว์เป็นเปรเป็นผีเป็นเทวดาเป็นพรมก็แตกต่างกันแต่ถ้าใครกระทําซึ่งทางสายกลางหรือไอมรักมีองแฝดได้ไอันนั้นก็ไม่ใช่ข้อแตกต่างเลยเพราะว่าถ้าทําถึงที่สุดแล้วทําถูกแล้วมันก็ย่อมไปถึงจุดหมายเดียวกันนะมันก็เหมือนกับแม่น้ํานำะจะออกจากภูเขารูปใดก็แล้วแต่นจะออกจากประเทศไหนก็แล้วแต่ น้ำก็ต้องไหลลงไปสู่ที่ต่ำนะไหลรวมกันจากลาชานเล็กๆกลายเป็นแม่น้ํากลายเป็นลงไปสู่มหาสมุทรทุกผลทุกแห่งเช่นเดียวกันการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันอาจจะเริ่มด้วยวิธีใดรูปแบบใดหรือสังกัดสำนักครูบาอาจารย์ในรูปแบบใดก็แล้วแต่ถ้ากระทําให้ถูกทางเช่นเดียวกันนะก็ต้องไปรวมกันเช่นเดียวกัน เราไม่ต้องสงสัยในรูปแบบภายนอกแต่ขอให้เราได้ทบทวนแล้วก็ดูตัวเองอยู่บ่อยๆว่าสิ่งที่เรากลกระทำนี้มันเป็นไปเพื่อเพื่อให้เกิดความทุกข์หรือว่าเพื่อเป็นไปเพื่อถอนออกจากความทุกข์การกระทำของเราเป็นไปเพื่อสะสมกิเลสตัณหาทําตามความอยากหรือว่าเรากระทำเพื่อที่จะละเพื่อจะถอนกิเลสตัณหาออกไปจากจิตใจ เราก็ดูข้อวัดข้อปฏิบัติของเราให้มันสอดคล้องให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้มันพอดีในการที่กระทําเช่นนีนน้นั้นเราจะอยู่ที่ไหนๆก็ได้แต่มันก็เป็นการกระทาในการเดินทางสายกลางทั้งนั้นเนาะแต่เราก็มีมีการที่เรียกว่าได้เรียนรู้นะจากจากครูบาจารย์จากสถานที่จากคะแนนมิตรเป็นส่วนประกอบส่วนสาคัญอีกอย่างเราก็ต้องเรียนรู้ ในการวางกายแล้วก็วางใจในความพอดีในใจของเราด้วยให้เป็นส่วนประกอบที่มันสมดุลกันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในทั้งการยานมิตรที่เป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งวัตถุภายนอกแล้วก็เป็นการยานธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราเองมีโยนิโสนมัสสิกาในการพิจารณาคข้ควรถึงความควรถึงความเหมาะสมถึงความที่สุดโตงหรือไม่สุดโตง่งถึงความพอดีให้มันมี ให้เกิดขึ้นในใจให้มันได้ไม่ต้องรอให้ใครมาตักเตือนมามาทักท้วงมาตรวจสอบเสมอไปตัวของเราเองก็ต้องเตือนตัวของเราเองให้ได้ให้มันทันอนะมันถึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามกับชีวิตเนาะก็ก็ฝากไว้นะเดีเช้าวันนี้